ขอบน้อมพระรัตนตยขอาการประจารย์นรณชยแล้วก็เพื่อนธรรมทุกท่านนะจะเดินพอรอนแม่ชีแล้วก็ยศธรรมทุกคนวันนี้ก็เป็นวันมาคบบูชานะเป็นวันเพ็ญเดือนสนีะ่ปกติก็เป็นวันเพ็ญเดือน3แต่ปีนี้ก็เป็นเป็นปีที่มีเดือน8 สองครั้งนะก็เลยเลื่อนมารับบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน4นะวิสาขะก็เลยเลื่อนเป็นเดือน7อาสาระหะก็เป็นเดือน8หนที่สองนะก็เลื่อนไปนตามสมมติของจันทรกตินะที่เขาเป็นปฏิทินที่ใช้ในวันสำคัญทางศาสนา จริงวันนี้ก็ถ้าในสมัยพุทธกาลก็ถือว่าเป็นวันมาฆเลิกนะเป็นวันที่ในสมัยอนะินเดียโบราณเขาก็รู้กันว่าวันนี้เป็นวันที่เหมือนคล้ายๆเป็นวันนําลึกถึงครูบาอาจาร ย, ย์ในสมัยพุทธกาลเองในพรรษาแรกหลังจากที่พระเจ้าท่านตัดสูนะ้ท่านก็สอนธรรมะนะ ในภัษาท่า น, นก็สอบเีแค่ห้ารูปน ะ, ะก็น่าก็น่าแปลกใจว่าเราก็รู้กันว่าป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเนี่ยเป็นที่อยู่ของฤาษีเป็นที่อยู่ของผู้ที่สนใจหาทางหลุดพ้นนะพระพุทธญาติท่านก็จาภาษาที่ที่ตรงนั้นแต่มีเพียงประจับวัคคีนะที่เหมือนที่เหมือนสนใจ สนใจเรียนคําสอนนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทางล้านที่ตรงนั้นอาจจะมีฤาษีอยู่นะรอบๆตรงสาราน้าที่พระเจ้าท่านจำพรรษาแรกนะเยอะแยะมากมายแต่ฤาษีชีไฟพวกนั้นกับยังไม่สนใจในในพระธรรมนะของพระพุทธเจ้าอาจจะ อาจจะมีส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่สนใจเพราะคิดว่าการบําเพ็ญทุกขลักกิริยานะเป็นทางออกจากความทุกขนะ์สมัยก่อนความเชื่อเขาเชื่อว่านะคนที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องทําตัวเองให้ทุกข์มากๆบํานะเพ็ญร่างกายให้เมือนทุกเมือนทุก์ ม, กมากๆมันก็จะออกจากความทุกข์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 ชีวิตที่ดีก็ควรจะมีความสุขแบบที่ที่เสพที่เสพได้แต่พอพระเจ้าทั้งคนพบน่ทางสายกลางเข้าใจอริยสัจสี่แล้วก็สอนบัญจวคีนะก็บรญจวคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมนะเป็นพระราหารัน m ก็อยู่ที่นั่นะตั้งมาสามเดือนนะทำไมฤๅศีคีไฟไม่มาเรียนด้วยนะเพราะ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 นะยศ ะ, ะกุณฑบุตรค่อยได้มาเรียนธรรมะนะจากที่เดินเพอนะเดินเพอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอะคงเดินเพื่อมาตั้งแต่พาราณศีนะแต่ที่จริงก็อาจจะพอรู้ว่าตรงป่าอิศปนนะเนี่ยมีมีฤทชีพายเยอะอาจจะอยากเดินมาเพื่อ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 เข้าถึงอ่อเข้าถึงอริยะนะบุคคลนะเป็นเป็นรูปแรกนะก่อนที่จะบวชนะก็อันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะเนี่ยเป็นองค์ที่6แล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนยัศะแล้วก็ต่ อ, ต อ, ตอมานะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะหลังจากออกพรรษาแล้วเจนทั้งเนี่ยนะวันมาคบูชา มันเพนเดือนสเนาะในตรงพุทธกาลไม่กี่เดือนนะก็มีพระหันอย่างน้อยเนาะ 1,250 รูปเพราะ 1,250 รูปเนี่ยเขานับเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านบวชให้เองเนะเป็นเอพิขุอุปสรัรมปทานะพระพเจ้าท่านสอนธรรมะตั้งแต่ก่อนเขา้าพรรษาให้แก่ปัญจวัคคีย์แล้วก็หลังจากนั้น ไม่กี่เดือนนะมีพระอรหันเกิดขึ้นหนึ่งพระอร้อหารเพรอหันนั้นแหละก็เลยกลับมารวมตัวกันคงทราบนะดวยวิธีใดวิธีหนึ่งรู้พระเจ้าท่านอยู่ที่ที่ป่าอิิที่วัดเวรุวันนะเวรุวันารามเป็นป่าไผ่นะทีพะ่พระเจ้าพิมพิสาร น, นะพระราชทานสร้างเป็นวัดแห่งแรกนะ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 มั่นใจในสิ่งที่ท่านรู้นะแล้วก็พูดนะอย่างตรงนะตรงไปตรงมานะพูดเป็นแก่นสารเป็นสาระนะพอจับไปสู่หลักในการปฏิบัติได้อันนี้คือคุณสมบัติที่สำคัญนะเวลาเราเราฟังทำนะไม่ว่าจะฟังธทรรมจากพุทธวจนะนะที่เกิดที่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 ไม่ว่าจะเป็นศีลของพระศีลของแม่ชีหรือศีลของคาราวาสนะเนราจะได้ไม่ทำบาปนะก็คือการไม่ทำผิดศีล น, นะแต่ที่จริงศีลที่เป็นข้อเนี่ยมันก็ยังเป็นศีลดยโดยสมมตินะในบางนิกายในบางสำนักบางทีก็ถือแตกต่างกันนะไม่เหมือนกันแต่ศีลที่แท้จริงก็คือความ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 ไม่เบียดเบียนตัวเราเองก็ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ดีให้ทุกข์ให้ลําบากเนี่ยอันเนี้ยชื่อว่าปฏิบัติตามพระธรรมวิ น, ยนัยนะพระเจ้าท่านบอกสั้นๆนะในโอวาทปาติโมกเนี่ยสมัยก่อนไม่มีพระยังไม่ได้บัญญัติพระวินยนะัยท่านก็สอนสั้นๆเนี่ยถ้าเราจะไปสอนผู้อื่นหรือว่าสอนแก่สมณะที่บวชแล้วก็ดีเนะี่ยไม่ทําบาปทั้งปวงนะเนี่ยไม่ทําบาปทั้งปวงเนี่ย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 เราได้ให้เราได้สละอะไรออกไปเนี่ยเราเกิดการแบบโล่งใจเนาะนะอย่างเช่นอภัยทานเลยนะเราเคยโกรธคนคนนีน้เพราะเขาเคยว่าเราเพราะเขาเคยโกงเราเพราะเขาเคยนินทาเราเนเราก็ทุกข์ใจแต่พอเราให้อภัยเขาไปแล้วเออโล่งใจนะเรื่องราวที่เขาเคยกระทำอะไรกับเราไม่ดี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 ถ้าเราบำเพ็ญ น, นะเราสะสมนั่นแหละเรียกว่าทํากุศลให้ถึงพร้อมนะเป็นบาบเพ็ญไปเรื่อยๆนะอันนั้นถ้าเราพิจารณาดีในะชีวประจําวันของเราเนาะบางทีเราทําอะไรนะให้กับที่เป็นประโยชน์นะต่อคนอื่นต่อส่วนรวมได้น เ, เนี่ยเราทําเนี่ยถือว่าเราทํากุศลนะอยู่ทุกวันเนาะอย่างเช่นแม่ชีแม่ครัวหรือว่าญาติโยมเนาะ ทำอาหารทำขนมทำน้ำปานะนะถวายพระหรือว่าให้ญาติทำที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเราบำเพ็ญบารมีอย่างหนึ่งเนาะในะความขยันได้ความอดทนได้ความเสียสละนะนี่เป็นกุศลที่เราทำํำพระเองอาจจะดูแลเสนาสะนะกนะวาดดานวัดนะบินทบาทที่จริงก็เป็นการบำเพ็ญบารมีนะในการ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 ทำให้เกิดความหงุดหงิดความโกรธมันก็ไม่มีความโกรธนะหลายๆคนก็คงไม่มีความโลภนะหลายๆคนก็อาจจะไม่หลงไปที่อื่นนะถ้าถ้าไม่หลงไปง่วงนอนไปซึมเศร้านะก็ใจก็ไม่มีกิเลสนะมาครอบงำนะเรารู้ตัวนะอยู่กับสิ่งที่กำลังทําอยู่นะรู้ตัวว่ากำลังนั่ง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 จย์โกวิดก็อายุได้เรียกับหลวงพ่อคำเขียนเราทั้งนั้นแหล ะ, ะแต่ตอนนี้ก็เป็นเหมือนพากินสั น, นเป็นอัลไซเมอร์ด้วยแต่ถ้าได้ไสนทนาธรรมได้พูดธรรมะเนี่ยท่านก็ชัดเจนมากนะคุณยุกรมก็ถามจย์โกวิดหลายข้อแล้วแหละแล้วก็มีถามอีกตอนหนึ่งว่าอาจารย์อาจารย์ยังปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆหรือเปล่า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 เนี่ยมันเป็นความทุกข์ในใจพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์ก็คือให้กลับมาเห็นเห็นจิตเห็นใจที่มันทุกข์เนี่ยแหละหรือบางทีก็ส่งผลถึงร่างกายเลยเนาะเช่นมันโกรธมันทุกข์เนะี่ยตั้งกายมันก็ทุกข์ไปด้วยเนาะมันก็เครียดไปด้วยเนี่ยกลับมาดูทุกข์นะเพราะความดิ้นรนในจิตใจเนี่แหละดิ้นรนด้วยความพอใจหรือความไม่พอใจเนี่แหละมันเป็นความดินดนนะ้นรนเนาะ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 จิตกลับมาเป็นปกติขึ้นมาสภาวะตรงนี้เนาะนะเป็นเรียกว่าสภาวะนะทิพานช่วขณะก็ได้นะเพียงแค่เรารู้สึกตัวนะความดิ้นนนมันก็ดับลงไปสู่จิตใจจิตใจก็กลับมาเป็นปกติแล้วนีโอวาทโอวาทาปาติโมกที่พี่เจานสอนเรามันก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะของเราได้นะไม่ทำบาปทั้งปวงนะ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 เดินตามโอวาทของพระพุทธเจ้าเนาะนะหรือนี่ทำตามโอวาทของครูบาอาจารย์ที่เราได้นับถือที่เราได้ปฏิบัติตามนี่แหละมาก็เชื่อว่าวันมาค้าบูชาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นวันที่ทําให้เราระลึกถึงนะครูบาอาจารย์ของเรานะตั้งแต่พระพุทธเจ้านะที่สอนธรรมมาพระรดยะส่์ที่สืบต่อธรรมะ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 แล้วลึกถึงคำหนึ่งที่หลวงพ่อเคยพูดกับอาจารย์กําพลนะหลวงพ่ออาจารย์กำพลนะคงอยู่ที่กุติคนเดียวนะกุศลหนึ่งหลวงพ่อเดินผ่านไปก็ก็เรียกว่าอาจารย์กำพลทำอะไรประมาณนะั้นนะอาจารย์กำพลก็อยู่ในห้องครับนะปฏิบัติทำอยู่นะอยู่กับไข่นะอยู่คนเดียวครับนะ หลวงพ่อก yeah no no? no! no no no ็เลยเดินเข้าไปหาจันทรพลบอกว่านี่นักปฏิบัติธรรมนะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะนะนักปฏิบัติธรรมนี่พระพุทธเจ้าอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะมีพระเจ้าอยู่นะไม่ได้อยู่คนเดียวนะแล้หลวงพ่อก็อยายามชี้ให้เห็นเนะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้เดียวดายไม่ได้เงายเงาเนาะมีพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเพื่อนนะ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 ตั้งใจใหม่นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะละนะเราจะละอกุศลละสิ่งที่เคยทําผิดเราจะตั้งใจทําสิ่งที่ดีทํากุศลให้ถึงพร้อมเราจะตั้งใจชําระจิตใจให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์กลับมาสู่จิตประภัดสอนจิตเดิมแท้จิตปกติให้ได้นะถ้าเราตั้งใจตรงนี้มาก็เชื่อว่าชีวิตของเราในภายภาค